11. คติอนุโยคะว่า้วยการซักถามถึงคติ69สิกกวาทีบุคคลท่องเที่ยวจากโลกนี้ไปสู่โลกอื่นจากโลกอื่นมาสู่โลกนี้ใช่ไหมประวาทีใช่สกวาทีบุคคลคนเดียวกันท่องเที่ยวจากโลกนี้ไปสู่โลกอื่นจากโลกอื่นมาสู่โลกนี้ใช่ไหม ประวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นเจ็กวาทีบุคคลท่องเที่ยวจากโลกนี้ไปสู่โลกอื่นจากโลกอื่นมาสู่โลกนี้ใช่ไหมประวาทีใช่สกวาทีบุคคลคนละคนกันท่องเที่ยวจากโลกนี้ไปสู่โลกอื่นจากโลกอื่นมาสู่โลกนี้ใช่ไหมประวาที ไม่ควรกล่าวอย่างนั้นเจัสกาวาทีบุคคลท่องเที่ยวจากโลกนี้ไปสู่โลกอื่นจากโลกอื่นมาสู่โลกนี้ใช่ไหมประวาทีใช่ักวาทีบุคคลทั้งที่เป็นคนเดียวกันและคนละคนกันท่องเที่ยวจากโลกนี้ไปสู่โลกอื่นจากโลกอื่นมาสู่โลกนี้ใช่ไหม ประวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น 72. ส็สกวาทีบุคคลท่องเที่ยวจากโลกนี้ไปสู่โลกอื่นจากโลกอื่นมาสู่โลกนี้ใช่ไหมประวาทีใช่สักวาทีบุคคลจะว่าเป็นคนเดียวกันก็มีใช่จะว่าเป็นคนละคนกันก็มีใช่ ท่องเที hilft, um ่ยวจากโลกนี้ไปสู่โลกอื่นจากโลกอื่นมาสู่โลกนี้ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น7จสิสกวาทีบุคคลท่องเที่ยวไปจากโลกนี้ไปสู่โลกอื่นจากโลกอื่นมาสู่โลกนี้ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีบุคคลคนเดียวกันบุคคลคนละคนกัน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 บุคคลท่องเที่ยวจากโลกนี้ไปสู่โลกอื่นจากโลกอื่นมาสู่โลกนี้ใช่ไหมสกวาทีใช่ปรวาทีพระสูตรที่พระพุ้มีพระพักตร์ตรัสไว้ว่าบุคคลนั้นท่องเที่ยวไปเจ็ดชาติเป็นอย่างมากก็จะทําที่สุดทุกได้เพราะสังโยชน์ทั้งปวงสิ้นไปมีอยู่จริงไม่ใช่หรือสกวาทีใช่ ปรวาทีดังนั้นบุคคลจึงท่องเที่ยวจากโลกนี้ไปสู่โลกอื่นจากโลกอื่นมาสู่โลกนี้ได้75าปรวาทีท่านไม่ ย, ยอมรับว่าบุคคลท่องเที่ยวจากโลกนี้ไปสู่โลกอื่นจากโลกอื่นมาสู่โลกนี้ใช่ไหมสกวาทีใช่ปรวาทีพระสูตรที่พระพู้มีพระภาคตรัสไว้ว่า พิสูจทั้งหลายสงสารนี้มีเบื้องต้นและเบื้องปลายรู้ไม่ได้ที่สุดเบื้องต้นที่สุดเบื้องปลายไม่ปรากฏแก่เหล่าสัตว์ผู้ถูกอวิชชากิดขวางถูกตันหาผูกไว้บนเวียนท่องเที่ยวไปมีอยู่จริงมิใช่หรือสกวาทีใช่ปรวาทีดังนั้นบุคคลจึงท่องเที่ยวจากโลกนี้ไปสู่โลกอื่น จากโลกอื่นมาสู่โลกนี้ได้76ศดกสวาทีบุคคลท่องเที่ยวจากโลกนี้ไปสู่โลกอื่นจากโลกอื่นมาสู่โลกนี้ใช่ไหมประวาทีใช่สกวาทีบุคคลคนเดียวกันนั้นนั่นแหละท่องเที่ยวจากโลกนี้ไปสู่โลกอื่นจากโลกอื่นมาสู่โลกนี้ใช่ไหมประวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น เจสกวาทีบุคคลคนเดียวกันนั้นนั่นแหละท่องเที่ยวจากโลกนี้ไปสู่โลกอื่นจากโลกอื่นมาสู่โลกนี้ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีบุคคลบางคนเป็นมนุษย์แล้วเป็นเทวดาก็มีใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีมนุษย์กับเทวดาเป็นบุคคลคนเดียวกันใช่ไหม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 คำที่ว่าบุคคลผู้เกิดเป็นมนุษย์คนเดียวกันนี้นั่นแหละท่องเที่ยวไปดังนี้จึงผิดอนหนึ่งหากบุคคลคนเดียวกันนั้นนั่ น, น, นแหละท่องเที่ยวไปจุดตีจากโลกนี้ไปสู่โลกอื่นไม่แค่คนละคนกันเมื่อเป็นเช่นนี้ความตายก็จกไม่มีแม้แต่ปานาติบาตก็ยังรู้ไม่ได้กรรมมีอยู่ ผลของกรรมก็มีอยู่ผลของกรรมทั้งหลายที่ทําแล้วก็มีอยู่เมื่อกุศลและอกุศลให้ผลอยู่คําที่ว่าบุคคลคนเดียวกันนี้นั่นแหละท่องเที่ยวไปดังนี้จึงผิด79็กสกวาทีบุคคลคนเดียวกันนั้นนั่นแหละท่องเที่ยวจากโลกนี้ไปสู่โลกอื่นจากโลกอื่นมาสู่โลกนี้ใช่ไหม ปรวาทีใช่สกวาทีบุคคลบางคนเป็นมนุษย์แล้วเป็นยักษ์มีอยู่เป็นเปรตเป็นสัตว์นรกเป็นสัตว์ติวรชานเป็นอูดเป็นโคเป็นลาเป็นสุกรเป็นกระบือมีอยู่ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีมนุษย์กับกระบือเป็นบุคคลคนเดียวกันใช่ไหม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 บุคคลผู้เกิดเป็นมนุษย์คนเดียวกันนี้นั่นแหละท่องเที่ยวไปดังนี้จึงผิดอันหนึ่งหากบุคคลคนเดียวกันนั้นนั่ น, น, นแหละท่องเที่ยวไปจุติจากโรคนี้ไปสู่โรคอื่นไม่ใช่คนละคนกันเมื่อเป็นเช่นนี้ความตายก็จกไม่มีแม้แต่ปาณาติบาตก็ยังรู้ไม่ได้กรรมมีอยู่ผลของกรรมก็มีอยู่ผลของกรรมทั้งหลายที่ทาแล้วก็มีอยู่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 บุคคลบางคนเป็นกษัตริย์แล้วเป็นพราหมณ์มีอยู่ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีกษัตริย์กับพราหมณ์เป็นบุคคลคนเดียวกันใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น 8. ปสิบองสกวาทีบุคคลบางคนเป็นกษัตริย์แล้วเป็นแพทย์เป็นสูตรมีอยู่ใช่ไหมปรวาทีใช่ สกวาธีกษัตริย์กับสูตรเป็นบุคคลคนเดียวกันใช่ไหมปรวาธีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น 8. ปดสิบกวาธีบุคคลบางคนเป็นพราหมณ์แล้วเป็นแพทย์เป็นสูตรเป็นกษัตริย์มีอยู่ใช่ไหมปรวาธีใช่ักวาธีพราหมณ์กับกษัตริย์เป็นบุคคลคนเดียวกันใช่ไหม ประวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น8ปสกวาทีบุคคลบางคนเป็นแพทย์และเป็นสูตรเป็นกษัตริย์เป็นพรามีอยู่ใช่ไหมประวาทีใช่สกวาทีแพทย์กับพรามเป็นบุคคลคนเดียวกันใช่ไหมประวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น85สบกวาที บุคคลบางคนเป็นสูตรแล้วเป็นกษัตริย์เป็นพรามเป็นแพทย์มีอยู่ใช่ไหมประวาทีใช่ศักวาทีสูตรกับแพทย์เป็นบุคคลคนเดียวกันใช่ไหมประวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น8ปดสักสกวาทีบุคคลคนเดียวกันนั้นนั่นแหละท่องเที่ยวจากโลกนี้ไปสู่โลกอื่น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 คนมีหัวแม่มือหัวแม่เท้าด้วนคนเอ็นใหญ่ขาดคนมืองิกคนมือแปรคนเป็นโรคเรื้อนคนเป็นโรคต่อมคนเป็นโรคกลากคนเป็นโรคมองค่อคนเป็นโรคลมบ้าหมูอูดก็เป็นอูดอยู่เหมือนเดิมโคลาสุ ก, กรกระบือก็เป็นกระบืออยู่เหมือนเดิมใช่ไหมประวัติ ไม่ควรกล่าวอย่างนั้นแปิ 87. ปรวาทีท่านไม่ ย, ยอมรับว่าบุคคลคนเดียวกันนั้นนั่นแหละท่องเที่ยวจากโลกนี้ไปสู่โลกอื่นจากโลกอื่นมาสู่โลกนี้ใช่ไหมสกวาทีใช่ปรวาทีบุคคลผู้เป็นโสดาบันจุติจากมนุษย์โลกไปเกิดในเทวโลกแล้ว ยังเป็นโสดาบันอยู่เหมือนเดิมแม้ในเทวโลกนั้นม่ใช่หรือสกวาทีใช่ประวาทีหากบุคคลผู้เป็นโสดาบันจุติจากโลกมนุษย์ไปเกิดในเทวโลกแล้วยังเป็นโสดาบันอยู่เหมือนเดิมแม้ในเทวโลกนั้นดังนั้นท่านจึงควรยอมรับว่าบุคคลคนเดียวกันนั้นนั่นแหละท่องเที่ยวจากโลกนี้ไปสู่โลกอื่น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 จากโลกอื่นมาสู่โลกนี้ใช่ไหมประวาทีใช่สกวาทีเพราะท่านเข้าใจว่าบุคคลผู้เป็นโสดาบันจุติจากมนุษย์สยโรคไปเกิดในเทวโลกแล้วยังเป็นมนุษย์อยู่เหมือนเดิมแม้ในเทวโลกนั้นจึงยอมรับว่าบุคคลคนเดียวกันนั้นนั่นแหละท่องเที่ยวจากโลกนี้ไปสู่โลกอื่น จากโรคอื่นมาสู่โลคนี้ใช่ไหมประวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นแปสิกกวาทีบุคคลคนเดียวกันนั้นนั่นแหละท่องเที่ยวจากโลคนี้ไปสู่โลคอื่นจากโลคอื่นมาสู่โลกนี้ใช่ไหมประวาทีใช่สกวาทีบุคคลไม่ใช่คนละคนกัน ไม่แปรผันท่องเที่ยวไปใช่ไหมประวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น90ศสักวาทีบุคคลวม่ใช่คนละคนกันไม่แปรผันท่องเที่ยวไปใช่ไหมประวาทีใช่สักวาทีคนมือด้วนก็เป็นคนมือด้วนอยู่เหมือนเดิมคนเท้าด้วนก็เป็นคนเท้าด้วนอยู่เหมือนเดิม คนมีมือและเท้าด้วนก็เป็นคนมีมือและเท้าด้วนอยู่เหมือนเดิมคนหูวิ่นคนจมูกโวคนทั้งหูวิ่นทั้งจมูกโวคนมีหัวแม่มือหัวแม่เท้าด้วนคนเอ็นใหญ่ขาดคนมืองิกคนเป็นโรคเรื้อนคนเป็นโรคต่อมคนเป็นโรคกลากคนเป็นโรคบังครอกคนเป็นโรคลมบ้าหมูอูด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 เป็นผู้มีรูปท่องเที่ยวไปใช่ไหมประวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีเป็นผู้มีรูปท่องเที่ยวไปใช่ไหมประวาทีใช่าาใชสกวาทีชีวะกับสรีระเป็นอย่างเดียวกันใช่ไหมประวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีเป็นผู้มีเวทนา เป็นผู้มีสัญญาเป็นผู้มีสังขารเป็นผู้มีวิญญาณท่องเที่ยวไปใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีเป็นผู้มีวิญญาณท่องเที่ยวไปใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีชีวะกับสรีระเป็นอย่างเดียวกันใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น92 สกวาทีบุคคลคนเดียวกันนั้นนั่นแหละท่องเที่ยวจากโลกนี้ไปสู่โลกอื่นจากโลกอื่นมาสู่โลกนี้ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีเป็นผู้ไม่มีรูปท่องเที่ยวไปใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีเป็นผู้ไม่มีรูปท่องเที่ยวไปใช่ไหมปรวาทีใช่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 เป็นผู้ไม่มีวิญญาณท่องเที่ยวไปใช่ไหมปรวาทีใช่สักวาทีชีวะกับสรีระเป็นคนและอย่างกันใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น93สักวาทีบุคคลคนเดียวกันนั้นนั่นแหละท่องเที่ยวจากโลกนี้ไปสู่โลกอื่นจากโลกอื่นมาสู่โลกนี้ใช่ไหม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 สกาวาทีเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณท่องเที่ยวไปใช่ไหมประวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกาวาทีวิญญาณท่องเที่ยวไปใช่ไหมประวาทีใช่ศักาวาทีชีวากับสรีระเป็นอย่างเดียวกันใช่ไหมประวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น เกสกวาทีบุคคลคนเดียวกันนั่นแหละท่องเที่ยวจากโลกนี้ไปสู่โลกอื่นจากโลกอื่นมาสู่โลกนี้ใช่ไหมประวาทีใช่สกวาทีรูปไม่ท่องเที่ยวไปใช่ไหมประวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีรูปไม่ท่องเที่ยวไปใช่ไหมประวาที ใช่สกาวาทีชีวะกับสรี ร, ระเป็นคนละอย่างกันใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกกวาทีเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่ท่องเที่ยวไปใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกกวาทีวิญญาณไม่ท่องเที่ยวไปใช่ไหมปรวาทีใช่ สกาวาทีชีวากับสรีระเป็นคนละอย่างกันใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นักาวาทีเมื่อขันแตกดับหากบุคคล น, นั้นแตกดับก็จะเป็นอุจเฉททิฏฐิที่พระพุทธเจ้าได้ทรงเว้นเมื่อขันแตกดับหากบุคคลไม่แตกดับบุคคลก็จะเที่ยงเสมอเหมือนนิพพาน คติอนุโยคะจบ 12. อุปาธาปัญญตาอนุโยคะว่าโดยการซักถามถึงอุปาทาบัญญัติ 95. สั ก, กวาทีเพราะอาศัยรูปจึงบัญญัติบุคคลใช่ไหมประวาทีใช่สั ก, กวาทีรูปไม่เที่ยง ถูกปัจจัยปรุงแต่งอาศัยปัจจัยเกิดขึ้นมีความสิ้นไปเสื่อมไปคลายไปดับไปแปลผันไปเป็นธรรมดาใช่ไหมประวทัทีใช่สกาวาทีแม้บุคคลก็ไม่เที่ยงถูกปัจจัยปรุงแต่งอาศัยปัจจัยเกิดขึ้นมีความสิ้นไปเสื่อมไปคลายไปดับไปแปลผันไปเป็นธรรมดาใช่ไหมประวาที ไม่ควรกล่าวอย่างนั้น96้าสกสกวาทีเพราะอาศัยเวทนาเพราะอาศัยสัญญาเพราะอาศัยสังขารเพราะอาศัยวิญญาณจึงบัญญัติบุคคลใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีวิญญาณไม่เที่ยงถูกปัจจัยปรุงแต่งอาศัยปัจจัยเกิดขึ้นมีความสิ้นไปเสื่อมไปคลายไป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 สกาวาทีเพราะอาศัยรูปจึงบัญญ <ห Peace S 1> ัติบุคคลใช่ไหมปรวาทีใช่สกาวาทีเพราะอาศัย <inator> รูปสีเขียวจึงบัญญัติบุคคลสีเขียวใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกาวาทีเพราะอาศัยรูปสีเหลืองเพราะอาศัยรูปสีแดงเพราะอาศัยรูปสีขาวเพราะอาศัยรูปที่เห็นได้ เพราะอาศัยรูปที่เห็นไม่ได้เพราะอาศัยรูปที่กระทบได้เพราะอาศัยรูปที่กระทบไม่ได้จึงบัญญัติบุคคลที่กระทบไม่ได้ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น98สกวาทีเพราะอาศัยเวทนาจึงบัญญัติบุคคลใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาที พระอาศัยเวทานาที่เป็นกุศล จ, จ, จึงบัญญัติบุคคลที่เป็นกุศลใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีพระอาศัยเวทานาที่เป็นกุศลจึงบัญญัติบุคคลที่เป็นกุศลใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีเวทนาที่เป็นกุศลมีผลมีวิบากมีผลน่าปรารถนา มีผลหน้ายินดีมีผลหน้าพอใจมีผลเยือกเย็นมีสุขเป็นกำไรมีสุขเป็นวิบากใช่ไหมประวาทีใช่สกวาทีแม้บุคคลที่เป็นกุศลก็มีผลมีวิบากมีผลหน้าปรารถนามีผลหน้ายินดีมีผลหน้าพอใจมีผลเยือกเย็นมีสุขเป็นกำไร มีสุขเป็นวิบากใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น9กาสกสกวาทีเพราะอาศัยเวทนาะจึงบัญญัติบุคคลใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีเพราะอาศัยเวทนาะที่เป็นอกุศลจึงบัญญัติบุคคลที่เป็นอกุศลใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น สกวาทีเพราะอาศัยเวทนาที่เป็นอกุศลจึงบัญญัติบุคคลที่เป็นอกุศลใช่ไหมประวาทีใช่ักวาทีเวทนาที่เป็นอกุศลก็มีผลมีวิบากมีผลไม่น่าปรารถนามีผลไม่น่ายินดีมีผลไม่น่าพอใจมีผลเร่าร้อนมีทุกข์เป็นกําไรมีทุกข์เป็นวิบากใช่ไหม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 เพราะอาศัยเวทนาจึงบัญญัติบุคคลใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีเพราะอาศัยเวทนาที่เป็นอัพยกฤิจึงบัญญัติบุคคลที่เป็นอพยกริใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีเพราะอาศัยเวทนาที่เป็นอัพยกฤิ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 เพราะอาศัยสัญญาเพราะอาศัยสังขา risque, sense, รเพราะอาศัยวิญญาณจึงบัญญัติบุคคลใช่ไหมประวาทีใช่สกาวาทีเพราะอาศัยวิญญาณที่เป็นกุศลจึงบัญญัติบุคคลที่เป็นกุศลใช่ไหมประวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกาวาทีเพราะอาศัยวิญญาณที่เป็นกุศลจึงบัญญัติบุคคลที่เป็นกุศลใช่ไหม ปรวาทีใช่สกวาทีวิญญาณที่เป็นกุศลก็มีผลมีวิบากมีผลหน้าปรารถนามีผลหน้ายินดีมีผลหน้าพอใจมีผลเยือกเย็นมีสุขเป็นกาไรมีสุขเป็นวิบากใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีแม้บุคคลที่เป็นกุศลก็มีผลมีวิบาก มีผลหน้าปราถนามีผลหน้ายินดีมีผลหน้าพอใจมีผลเยือกเย็นมีสุขเป็นกำไรมีสุขเป็นวิบากใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นหนึ 102. ่งสองสกวาทีเพราะอาศัยวิญญาณจึงบัญญัติบุคคลใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาที พราะอาศัยวิญญาณที่เป็นอกุศลจึงบัญญัติบุคคลที่เป็นอกุศลใช่ไหมปราวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีเพราะอาศัยวิญญาณที่เป็นอกุศลจึงบัญญัติบุคคลที่เป็นอกุศลใช่ไหมปราวาทีใช่สกวาทีวิญญาณที่เป็นอกุศลก็มีผลมีวิบาก มีผลไม่น่าปรารถนามีผลไม่น่ายินดีมีผลไม่น่าพอใจมีผลเร่าร้อนมีทุกเป็นกาไรมีทุกเป็นวิบากใช่ไหมประวาทีใช่สกวาทีแม้บุคคลที่เป็นอกุศลก็มีผลมีวิบากมีผลไม่น่าปรารถนามีผลไม่น่ายินดี มีผลไม่น่าพอใจมีผลเร่าร้อนมีทุกข์เป็นกําไรมีทุกข์เป็นวิบากใช่ไหมประวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น103สกวาทีเพราะอาศัยวิญญาณจึงบัญญัติบุคคลใช่ไหมประวาทีใช่สกวาทีเพราะอาศัยวิญญาณที่เป็นอัพยกฤิ จึงบัญญัติบุคคลที่เป็นอัพยากริตใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีเพราะอาศัยวิญญาณที่เป็นอัพยากริต จ, จึงบัญญัติบุคคลที่เป็นอัพยากริตใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีวิญญาณที่เป็นอัพยากริตไม่เที่ยงถูกปัจจัยปรุงแต่งอาศัยปัจจัยเกิดขึ้น มีความสิ้นไปเสื่อมไปคลายไปดับไปแปลผันไปเป็นธรรมดาใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีแม้บุคคลที่เป็นอัพยกรยิก็ไม่เทียงถูกปัจจัยปรุงแต่งอาศัยปัจจัยเกิดขึ้นมีความสิ้นไปเสื่อมไปคลายไปดับไปแปลผันไปเป็นธรรมดาใช่ไหมปรวาที ไม่ควรกล่าวอย่างนั้นหนึ 104, ส่สกวาทีเพราะอาศัยจักรสุท่านจึงยอมรับว่าบุคคลมีจักรสุใช่ไหมประวาทีใช่สกวาทีเมื่อจักรสุดับแล้วท่านจึงยอมรับว่าบุคคลผู้มีจักรสุดับใช่ไหมประวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น ักวาธีเพราะอาศัยโสตะเพราะอาศัยคานะเพราะอาศัยชิวหาเพราะอาศัยกายเพราะอาศัยมโนโท่านจึงยอมรับว่าบุคคลผู้มีมนโนใช่ไหมปรวาทีใช่ักวาธีเมื่อมนอนโนดับแล้วท่านจึงยอมรับว่าบุคคลผู้มีมนนโนดับใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น ห0 5ส ก, กวาทีเพราะอาศัยมิจฉาทิฏฐิท่านจึงยอมรับว่าบุคคลเป็นมิจฉาทิฏฐิใช่ไหมประวาทีใช่ส ก, กวาทีเมื่อมิจฉาทิฏฐิดับแล้วท่านจึงยอมรับว่าบุคคลผู้เป็นมิจฉาทิฏฐิดับใช่ไหมประวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นส ก, กวาที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 ักรวาทีเมื่อมิจฉาสมาธิดับแล้วท่านจึงยอมรับว่าบุคคลผู้เป็นมิจฉาสมาธิดับใช่ไหมประวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นหนึ่งร้อยหกสกวาทีเพราะอาศัยสัมมาทิฏฐิท่านจึงยอมรับว่าบุคลบ ค, บบคลผู้เป็นสัมมาทิฏฐิใช่ไหมประวาทีใช่ สกาวาทีเมื่อสมาทิตฐิดับแล้วท่านจึงยอมรับว่าบุคคลผู้เป็นสมาธิติดับใช่ไหมประวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกาวาทีเพราะอาศัยสัมมาสังกัปปะเพราะอาศัยสัมมาวาจาเพราะอาศัยสัมมากรรมตะเพราะอาศัยสัมมาอาชีวะเพราะอาศัยสัมมาวายามะเพราะอาศัยสมาสติ เพราะอาศัยสัมมาสมาธิท่านจึงยอมรับว่าบุคคลผู้เป็นสัมมาสมาธิใช่ไหมประวาทีใช่สกวาทีเมื่อสัมมาสมาธิดับแล้วท่านจึงยอมรับว่าบุคคลผู้เป็นสัมมาสมาธิดับใช่ไหมประวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น หนึ เ, เจ็สกวาทีเพราะอาศัยรูปเพราะอาศัยเวทนาจึงบัญญัติบุคคลใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีเพราะอาศัยขันสองจึงบัญญัติบุคคลสองใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีเพราะอาศัยรูปเพราะอาศัยเวทนาเพราะอาศัยสัญญา เพราะอาศัยสังขารเพราะอาศัยวิญญาณจึงบัญญัติบุคคลใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีเพราะอาศัยขันห้าจึงบัญญัติบุคคลห้าใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น108่งร้อกวาทีเพราะอาศัยจักขายตรนะละเพราะอาศัยโสตายตรนะ จึงบัญญัติบุคคลใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีเพราะอาศัยอายตนะสองจึงบัญญัติบุคคลสองใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีเพราะอาศัยจักขายตนะเพราะอาศัยโสตายตนะเพราะอาศัยธรรมายตนะจึงบัญญัติบุคคลใช่ไหมปรวาที ใช่สกวาทีเพราะอาศรรยัยอายตนะสิองจึงบัญญัติบุคคลสิองใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นหนึกสกวาทีเพราะอาศรรยัยจักขคู ธ, ธาต์เพราะอาศรรยัยโสตธาต์จึงบัญญัติบุคคลใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาที เพราะอาศัยธาตุสองจึงบัญญัติบุคคลสองใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีเพราะอาศัยจกักรุธาต์เพราะอาศัยโสตธาต์เพราะอาศัยธรรมธาต์จึงบัญญัติบุคคลใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีเพราะอาศัยธาตุสิจึงบัญญัติบุคคล18ใช่ไหม ปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นหนึ 110. ่งร้อกวาทีเพราะอาศัยจกักขุนสเพราะอาศัยโสตินสี่จึงบัญญัติบุคคลใช่ไหมปร ว, รวาทีใช่สกวาทีเพราะอาศัยอินทรสองจึงบัญญัติบุคคลสองใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น สกวาทีเพราะอาศัยจกักขุนศีเพราะอาศัยโสตินศีเพราะอาศัยอัญญาตาวินศีจึงบัญญัติบุคคลใช่ไหมประวาทีใช่สกวาทีเพราะอาศัยอินทรียี2สจึงบัญญัติบุคคล22ใช่ไหมประวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น 1> 11 1. ึ่งรกวาทีเพราะอาศัยเอกโวการพบจึงบัญญัติบุคคลหนึ่งใช่ไหมปรวาทีใช่สกาวาทีเพราะอาศัยจตุโวการพบจึงบัญญัติบุคคลสใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกาวาทีเพราะอาศัยเอกโวการพบ จึงมัญญัติบุคคลหนึ่งใช่ไหมประวาทีใช่สกวาทีเพราะอาศัยปัญจโวการพบจึงบัญญัติบุคคลหใช่ไหมประวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีในเอกโวการพบมีบุคคลเพียงหนึ่งใช่ไหมประวาทีใช่ สกวาทีในจตุโวการพบมีบุคคลเพียงสี่ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีในเอกโวการพบมีบุคคลเพียงหนึ่งใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีในปัญจโวการพบมีบ <centr> ุคคลเพียงห้าใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น หนึ 112. สกวาทีเพราะอาศัยต้นไม้จึงบัญญัติเงาไม้ฉันใดเพราะอาศัยรูปจึงบัญญัติบุคคลฉันนั้นเหมือนกันใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีเพราะอาศัยต้นไม้จึงบัญญัติเงาไม้แม้ต้นไม้ก็ไม่เทียงแม้เงาไม้ก็ไม่เทียงฉันใด เพราะอาศัยรูปจึงบัญญัติบุคคลแม้รูปก็ไม่เที่ยงแม้บุคคลก็ไม่เที่ยงฉันนั้นเหมือนกันใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีเพราะอาศัยต้นไม้จึงบัญญัติเงาไม้ต้นไม้กับเงาไม้เป็นคนละอย่างกันฉันใดเพราะอาศัยรูปจึงบัญญัติบุคคล รูปกับบุคคลเป็นคนละอย่างกันฉันนั้นเหมือนกันใช่ไหมประวา่าทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นหนึสิบสากวาทีเพราะอาศัยบ้านจึงบัญญัติชาวบ้านฉันใดเพราะอาศัยรูปจึงบัญญัติบุคคลฉันนั้นเหมือนกันใช่ไหมประวา่าทีใช่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 จึงบัญญัติพระราชาฉันใดเพราะอาศัยรูปจึงบัญญัติบุคคลฉันนั้นเหมือนกันใช่ไหมประวาที <und et> <anya> ใช่ศกาวาทีเพราะอาศัยรัฐจึงบัญญัติพระราชารัฐกับพระราชาเป็นคนละอย่างกันฉันใดเพราะอาศัยรูปจึงบัญญัติ บ, บุคคล ร, รูปกับบุคคลเป็นคนละอย่างกันฉันนั้นเหมือนกันใช่ไหม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 ปรวาทีใช่สกวาทีตรวนไม่ใช่ผู้ถูกจำตรวนตรวนมีแก่ผู้ใดผู้นั้นชื่อว่าผู้ถูกจำตรวนตรวนกับผู้ถูกจำตรวนเป็นคนลอย่างกันฉันใดรูปมีใช่ผู้มีรูปรูปมีแก่ผู้ใดผู้นั้นชื่อว่าผู้มีรูปรูปกับผู้มีรูปเป็นคนละอย่างฉันนั้นเหมือนกันใช่ไหม ปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น1นสกสกวาทีมีการบัญญัติบุคคลในจิตแต่ละดวงใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีบุคคลย่อมเกิดแก่ตายจุติปฏิสนธิในจิตแต่ละดวงใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น สกวาทีเมื่อจิตดวงที่สองเกิดขึ้นท่านไม่ ย, ยอมรับว่าเป็นคนเดียวกันหรือเป็นคนละคนกันใช่ไหมประวาทีใช่สกวาทีเมื่อจิตดวงที่สองเกิดขึ้นท่านไม่ ย, ยอมรับว่าเป็นเด็กชายหรือเป็นเด็กหญิงใช่ไหมประวาทีข้าพเจ้ายอมรับ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 ขบเจ้ายอมรับว่าเป็นคนเดียวกันหรือเป็นคนละคนกันท่านกล่าวคําขัดแย้งใดในตอนต้นนั้นว่าขพเจ้ายอมรับว่าเมื่อจิตดวงที่สองเกิดขึ้นขพเจ้าไม่ยอมรับว่าเป็นคนเดียวกันหรือเป็นคนละคนกันเมื่อจิตดวงที่สองเกิดขึ้นขพเจ้าจึงยอมรับว่าเป็นเด็กชายหรือเป็นเด็กหญิงคํานั้นของท่านผิด 1นึ่ส ก, กวาทีเมื่อจิตดวงที่สองเกิดขึ้นท่านไม่ยอมรับว่าเป็นคนเดียวกันหรือเป็นคนละคนกันใช่ไหมประวาทีใช่ส ก, กวาทีเมื่อจิตดวงที่สองเกิดขึ้นท่านไม่ยอมรับว่าเป็นสตรีหรือเป็นบุรุษเป็นครือขัดหรือเป็นบรรปัจิตเป็นเทวดาหรือเป็นมนุษย์ใช่ไหม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 1นึ่งริปรวาทีท่านไม่ ย, ยอมรับว่าข้าพเจ้ายัางรู้บุคคลได้โดยสัจจิกขาปรามัตใช่ไหมสกวาทีใช่ปรวาทีบุคคลใดเห็นเห็นรูปใดเห็นด้วยจกักษุใดบุคคลนั้นเห็นเห็นรูปนั้นเห็นด้วยจกักษุนั้นไม่ใช่หรือสกวาทีใช่ ปรวาทีหากบุคคลใดเห็นเห็นรูปใดเห็นด้วยจักสู่ใดบุคคลนั้นเห็นเห็นรูปนั้นเห็นด้วยจักสู่นั้นดังนั้นท่านจึงยอมรับว่าข้าพเจ้ายัางรู้บุคคลได้โดยสัจจิกัตถปรมัตหนึ่งร้กกปรวาทีท่านไม่ยอมรับว่าข้าพเจ้ายัางรู้บุคคลได้โดยสัจจิกัตถปรมัตใช่ไหม สกวาทีใช่ปรวาทีบุคคลใดฟังบุคคลใดดมบุคคลใดริ้มรถบุคคลใดถูกต้องบุคคลใดรู้รู้ธรรมรมใดรู้ด้วยมโนใดบุคคลนั้นรู้รู้ธรรมารมนั้นรู้ด้วยมโนนั้นไม่ใช่หรือสกวาทีใช่ปรวาที หาบุคคลใดรู้รู้ธรรมารม์ใดรู้ด้วยมโนใดบุคคลนั้นรู้รู้ธรรมารมนั้นรู้ด้วยมโนนั้นดังนั้นท่านจึงควรยอมรับว่าข้าพเจ้ายัางรู้บุคธธบบคลได้โดยสัจจิกัตถปรมัตหนึ่งยสิบสกวาทีท่านยังรู้บุคคลได้โดยสัจจิกัตถปรมัตใช่ไหมประวาทีใช่ สกวาทีบุคคลใดไม่เห็นไม่เห็นรูปใดไม่เห็นด้วยจักรสูใดบุคคลนั้นไม่เห็นไม่เห็นรูปนั้นไม่เห็นด้วยจักรสูนั้นมิใช่หรือปราวาทีใช่สกวาทีหากบุคคลใดไม่เห็นไม่เห็นรูปใดไม่เห็นด้วยจักรสูใดบุคคลนั้นไม่เห็นไม่เห็นรูปนั้นไม่เห็นด้วยจักรสูนั้นท่านก็ไม่ควรยอมรับว่า ข้าพเจ้ายัางรู้บุคคลได้โดยสัจจิกัตถปรมัตสกวาทีท่านยังรู้บุคคลได้โดยสัจจิกัตถปรมัตใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีบุคคลใดไม่ฟังบุคคลใดไม่ดมบุคคลใดไม่ลิ้มรสบุคคลใดไม่ถูกต้องบุคคลใดไม่รู้ไม่รู้ธรมรมารมใดไม่รู้ด้วยมโนใดบุคคลนั้นไม่รู้ ไม่รู้ธรรมรมนั้นไม่รู้ด้วยมโนนั้นใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีหากบุคคลใดไม่รู้ไม่รู้ธรรมรมใดไม่รู้ด้วยมโนใดบุคคล น, นั้นไม่รู้ไม่รู้ธรรมรมนั้นไม่รู้ด้วยมโนนั้นท่านก็ไม่ควรยอมรับว่าข้าพเจ้าอย่างรู้บุคคลได้โดยสัจจิกถปรมัต 1.21 รยอปรวาทีท่านไม่ยอมรับว่าท่านยังรู้บุคคลได้โดยสั์จิกัาปรมัตใช่ไหมสกวาทีใช่ปรวาทีพระสูตรที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่าภิกษุทั้งหลายเราเห็นหมู่สัตว์ผู้กำลังจุติกำลังปฏิสนธิทั้งชั้นต่ำและชั้นสูง งามและไม่งามเกิดดีและเกิดไม่ดีด้วยทิพยจักษสุอันบริสุทธ์เหนือมนุษย์รู้ชัดถึงหมู่สัตว์ผู้เป็นไปตามกรรมมีอยู่จริงไม่ใช่หรือสกวาทีใช่ประวาทีดังนั้นข้าพเจ้าจึงอย่างรู้บุคคลได้โดยสัจฉิกัตถปรมัตหยีสสสกวาที เพราะท่านเข้าใจว่าพระผู้มีพระภาคตรัสไปว่าภิกษุดทั้งหลายเราเห็นหมูสัตว์ผู้กำลังจุติกำลังปฏิสนธิทั้งชั้นต่ำและชั้นสูงงามและไม่งามเกิดดีและเกิดไม่ดีด้วยทิพยจักษุอันบริสุทธิเหนือมนุษย์รู้ชัดถึงหมู่สัตว์ผู้เป็นไปตามกรรมจึงยอมรับว่าข้าพเจ้าจึงยังรู้บุคคลได้ โดยสัจจิกธตธรรมะใช่ไหมประวาทีใช่สกวาทีพระผู้มีพระภาคทรงเห็นรูปหรือทรงเห็นบุคคลได้ด้วยทิพยสักสุอันบริสุทธ์เหนือมนุษย์ประวาทีทรงเห็นรูปสกวาทีรูปเป็นบุคคลรูปจุติรูปปฏิสนธิรูปเป็นไปตามกรรมใช่ไหม ประวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีพระผู้มีพระภาคทรงเห็นรูปหรือทรงเห็นบุคคลได้ด้วยทิพยจักรสุอันบริสุทธ์เหนือมนุษย์ประวัทีทรงเห็นบุคคลสกวาทีบุคคลเป็นรูปเป็นรู ป, ปายตนะเป็นรูปธาตุเป็นสีเขียวสีเหลือง สีแดงสีขาวสิ่งที่จะรู้ได้ทางจักสุกระทบที่จักสุมาสู่คลองจักสุได้ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีพระผู้มีพระภาคทรงเห็นรูปหรือทรงเห็นบุคคลได้ด้วยทิพยจักสุอันบริสุทธ์เหนือมนุษย์ปรวาที ต้องเห็นได้ทั้งสองอย่างสกวาทีทั้งสองอย่างเป็นรู ป, เ ป, ร ป, ป federal, เป็นรูปายตนะเป็นรูปท่าทั้งสองอย่างเป็นสีเขียวทั้งสองอย่างเป็นสีเหลืองทั้งสองอย่างเป็นสีแดงทั้งสองอย่างเป็นสีขาวทั้งสองอย่างเป็นสิ่งที่จะรู้ได้ทางจักสุ <ENCE> ทั้งสองอย่างกระทบที่จักสุทั้งสองอย่างมาสู่คลองจักสุ ทั้งสองอย่างจุติทั้งสองอย่างปฏิสนธิทั้งสองอย่างเป็นไปตามกรรมใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นอุปาทาปัญญาตานุโยคะจบ